สาี่จิตเศร้าหมองทำอย่างไรวงเล็บเปิดห้ามีนาคมสองพห้าห้าสิบจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดเวลาจิตไปกระทบอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจมันก็เศร้าหมองแต่ไม่ใช่เห็นว่าเราเศร้าหมองนะให้เห็นว่าความเศร้าหมองไม่ใช่เราค่อยๆแยกระหว่างจิตอันหนึ่งความเศร้าหมองเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความเศร้าหมองไม่ใช่ตัวเราความเศร้าหมองก็ไม่ใช่จิตด้วย เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมความเศร้าหมองเป็นของถูกรู้เวลารู้อะไรแล้วอย่าจมลงไปในสิ่งนั้นนะที่จมลงไปเพราะมันแพ้ทางบางคนเจอโทสะแล้วมันทนไม่ได้ต้องกระโจนลงไปในโทสะบางคนเจอความเศร้าแล้วทนไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงเป็นเยอะนะพอมีอารมณ์เศร้าๆมาแล้วชอบไหลลงไปอยู่กับมันแถมบางคนชอบซะด้วยรู้สึกสะใจเล็กๆข้างในใจเราชอบนะบางทีให้รู้ทันว่าใจเราไหลลงไป อย่าลงไปนอนแช่เฉยๆให้รู้ทันว่ามันไหลลงไปแล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งการภาวนาต้องผ่อนคลายนะต้องสบายจิตใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมสังเกตไหมตอนที่รู้ว่าใจแอบหนีไปคิดเนี่ยไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าแล้วเห็นไหมเพราะอะไรจริงๆแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดเลยที่เราบอกว่าเราไปติดอยู่กับความเศร้านานๆเนี่ยเพราะเราไปยอมติดอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราหัดมาเจริญสติ กำลังเศร้าๆอยู่เนี่ยใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดทันทีที่รู้ว่าใจแอบไปคิดไม่เศร้าแล้วขณะนั้นรู้สึกไหมตอนนี้เศร้าน้อยกว่าเมื่อกี้แล้วเฝ้ารู้ลงปัจจุบันนะรู้ใจนะไม่ใช่ไปรู้ความเศร้าปรับนิดหนึ่งถ้าใจเราไปติดกับความเศร้าก็อย่าไปดูมันให้รู้ทันใจเช่นพอมันติดอยู่กับความเศร้าแล้วใจไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบใจกลัวให้รู้ว่ากลัว ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าเผลอไปคิดนะไม่ต้องไปเกาะนิ่งดูความเศร้าเฉยๆอยู่ถ้ามีแรงแล้วมันจะเห็นเลยความเศร้าก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งคนละอันกันเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมแล้วมันอยากพูดทราบไหมมันมีแรงดันขึ้นมาที่หน้าอกตัวนี้เรียกว่าตันหามันจะผลักขึ้นมาพอมันผลักขึ้นมานะใจเราก็จะกระโจนไปตามที่มันสั่งไปถ้ารู้ลงปัจจุบันนะใจมันจะไม่ไปติดกับความเศร้า ให้รู้ลงปัจจุบันไปถ้าไม่ยอมรู้ลงปัจจุบันนะมัวแต่คิดว่าเศร้าแล้วเกาะนิ่งๆอยู่กับความเศร้าจะออกมาไม่ได้คือถ้ารู้ว่าเศร้าแล้วไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบหรือว่าเศร้าแล้วก็คิดอย่างโน้อนอย่างนี้ก็รู้ว่าหลงไปคิดแล้วพอรู้ว่าหลงไปคิดก็หลุดออกมาละจิตมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วจิตที่ไปเกาะ น, นิ่งอยู่กับความเศร้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละพอมันไปจับอารมณ์อันใหม่ก็ทิ้งอันเก่าอย่ามัวเศร้าอยู่นะเสียเวลาไม่ดี บางคนชอบนะสาวๆเป็นเยอะชอบสวมวิญญาณนางเอกแกล้งเศร้าก็มีนะทําใจให้มันเศร้าๆไว้รู้สึกสะใจแสบๆชอบกันนะผู้ชายก็เป็นนะหลวงพ่อสังเกตผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงจะเยอะกว่าสวมวิญญาณนางเอกรอพระเอกมาปลอบพระเอกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะแต่รอไว้ก่อนอย่ายอมอย่างนั้นนะถ้ายอมให้เป็นแบบนี้คือการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับโทสะจะตกนรกนะอย่าให้ใจไปคุ้นกับโทสะ แล้วก็อย่าให้ใจไปคุ้นกับความเผลอเพลนใจลอยไปทั้งวันจิตคุ้นเคยกับใจลอยเผลอเผลอลืมเนื้อลืมตัวมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแล้วก็อย่าให้จิตเต็มไปด้วยความอยากยอมให้ความอยากครอบงำนะมันจะไปเป็นเปรตฉะนั้นเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นนะสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ทันเข้ามาที่จิตที่ใจเรานี่กิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตจิตไม่คล้อยตามกิเลสนี่ไม่ไปอบายแล้ว ถ้าจิตไปติดไปคล้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ขาดไปนะก็ไม่ต้องไปดูมันดูจิตของเราไม่ต้องไปดูมันเช่นจิตไปเกาอความเศร้าไม่ต้องไปดูที่ความเศร้านะถ้าดูความเศร้าแล้วมันขาดปั๊บไปก็ใช้ได้แสดงว่าจิตมีกำลังพอมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นพอดูปับ๊บขาดปับ๊บแต่ถ้าดูแล้วไม่ขาดแล้วไปแช่ อ, อ, อ้อยซอยอ้อยอิงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยอย่าไปดูมันดูจิตเอา จิตเราแอบไปคิดก็รู้จิตเรากุ้มใจขึ้นมาก็รู้รู้ที่จิตมันจะมีความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงภาวะที่มันนิ่งๆทื่อๆอยู่ก็หลุดไปเลยนะเพราะภาวะทั้งหลายเอาเข้าจริงก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน